ท่า น, นบิสุสมัมธเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็มาสรุปกันเรื่องศีลเรื่องศีลและบา ร, รมีนี่ว่ากันมาหลายวันวันนี้ก็ขอตัดสรุปการบําเพ็ญศีลของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำยืนยันของพระพุทธเจ้าที่กล่าวกับนิโครูทปริภาชกเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันโรงสอนอย่างนั้นท่านพูดถึงเรื่องศีลอย่างนี้ท่านบอกว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทำลายศีลทด้ตนเอง สองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลและก็สามไม่ยินดีให้บุคคลอื่นทําลายศีลแล้วรวมความอาการรักษาศีลไม่ใช่ว่าจะสมาทานอย่างเดียวอย่างพิสุ์สมณีนนทั้งหลายที่อบรสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเมื่อสมาทานศีลแค่โคตรสวด แล้วก็ทำยติกรรมจากครรดาคณะสงฆ์พระบูชาประกาศยอมรับว่าท่านผู้ น, นี้เป็นพระสงฆ์แล้วก็มอบกิจการให้แก่พระสงฆ์ทำเท่านี้ทุกท่านอย่าเพิ่งคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลแล้วก็บรรดาญาโยามพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมาทานศีลแล้ว อย่าเป็นสินห้าก็ตามเป็นสินปลายก็ตามโอโบโสดตศิลก็ตามเมื่อสมาทานสิทานสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศินนั่นเป็นได้เพียงว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องของศินเท่านั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบรรดาวิสุทธสมณเณรทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้มีสินเลิศแล้วคำว่าสินแปลว่าปกติปกติของพกเราจะต้องปฏิบัติใ น, ในพระธรรมวินยัยพระวินัยมีกี่สิขาบทจงอย่างดจงอย่าคิดว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรสิขาบทนี้ ถึงแม้จะหนักหน่อยแต่สเสดองอบับดับตกยับยั้งได้ถ้าคิดอย่างนี้ทุกท่านจะกลายเป็นผู้ไม่มีศีลเพราะอะไรว่าท่านผิดปกติตามปกติแล้วพระสงฆ์จะต้องรักษาศีลยิ่งกว่าครวาดแต่ก็มีบ้างไหมที่บรรดาพระสงฆ์บางท่านกลับเป็นพระที่ไม่มีศีล ที่ไม่มีสินก็เพราะว่าแม้แต่สินห้าท่านยังไม่มีใช่วาจามุสาวาททําได้พูดแล้วไม่จําพูดได้เนืขายการเมตตาปราณีรวมความว่านักบวชประเภทนี้ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็มุ่งมาทําลายพระพุทธศาสนา <c oughs> ดันั้นบรรดาท่านนั้นหลายที่สมาทานสินแล้วก็ดีฉันมันในรับสินจากกุศลแล้วก็ดีระรับสินจากกุศลแล้วก็ดีให้รับยติกรรมครบถ้วนก็ตามและสงยอมรับให้อยู่คณะได้ก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีสินถ้าคิดว่าเป็นผู้มีสินเพียงเทาง่านี้ท่านตกมรรกแน่ทางนี้เพราอะไร เพราะว่าสิลของท่านยังไม่มีเลยสินจะมีนาได้ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามสิขาบทนั้นนั้นกระวาดสินห้าเบาการเจ้าสาสินแปดหรือสินอุโบสด <c oughs> สนเสมาเนินสินสิบพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดยังไม่พอยังมีส่วนอภิสมมาจารย์อีกมีธรรมะจะต้องปฏิบัติอีก รวมความวันด้านวินัยนทุกสิขาบทท่านจะละเมิดไม่ได้เลยและเมิดสิขาบทไหนเป็นผู้ผิดปกติในสิขาบทนั้นพระเขาให้ถือว่าเป็นผู้มีปกติเป็นปกติอยู่ถ้าผิดปกติก็ต้องไม่เข็บพระรวมความประการทรงสิ่งของท่านอันดับแรกก่อนเข้ามาบทจะต้องศึกษาพระวินัยก่อน พระวินัยมีกี่สิขาบทต้องรักษาให้ครบถ้วนถ้ารักษาไม่ครบถ้วนศินไม่มีไปไหนไปนรกแน่ผมยอมรับผมขอยืนยันว่าทุกท่านไปนรกแน่ถ้าไม่ครบในศินไม่ได้สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งเจ้บอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรละเมิดได้ถ้าละเมิดได้เมื่อไรที่ว่าทำลายความเป็นพระของท่านมืนนั้น ทุกท่านหนึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วคนที่จะทรงศีลบริสุทธิ์โยมผ้ากาสาวะพัดกอตามนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามศีลไม่นนอยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ไม่ได้ อันดับแรกท่านต้องมาด้วยศรัทธาก่อนการเข้ามาบวชหรือการเข้ามาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาต้องมาด้วยศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็ภาษาทะความเรื่มใสถ้ามาเพียงแต่ว่าคิดว่าเราจะมาบวชตามระเพณยีก็เป็นว่าทุกท่านซื้อนรกกันการบวชลงทุนเท่าไหร่จิอวิทยาเป็นการลงทุนซื้อนรกเท่านั้น วันนี้ทํำยังไงสินจึงจะบริสุทธิ์สินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีปัญญาต้องไปขอยืมปัญญาบารมีมาใช้คนที่ไร้ปรัญญาณจงอย่าเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าห้ามหรือผมก็ตอบว่าไม่ห้ามแต่สงสารสงสารเรื่องอะไรสงสารไม่จะลงนรกแน่นอน รงความต้องใช้ปัญญาพิจารณาซิก่อนว่าการบทของพระเราจะบทได้ไหมก่อนแค่ใช้ปัญญาคิดอย่างอื่นดูวินัยซิก่อนเฉพาะอย่างยิ่งนวโกวาตเขามีไว้ให้อ่านง่ายๆท่านรวบรวมไมาย่อดๆดีมากดูซิสิสาบทไหนที่เราทําไม่ได้ถ้าสิกขาบทไหนที่ทําไม่ได้เป็นสาธารณะ เรายอมรับอย่างสีขาบทที่เรียกว่าที่เรียกกันว่าจับเงินจับทองในบทนิสสีอันนี้เราเลิกไม่ได้แน่ยอมรับเอาหน้าชนแต่ว่าเวลางับรับเงินรับทองรับสิ่งของญยยาติโยมจงอย่าคิดว่าเป็นของเรา อันดับแรกตัวคิดไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะมาบวชเราเป็นฆราวาสเราทํามาหากินเองอยู่ๆแล้วไม่มีใครก็ให้กินไม่มอบเงินมอบทองให้ไม่มอบของมีค่าให้แต่พอมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาให้หนอนเขาให้นิ่งจงคิดว่าสมบัติที่เราได้ระหว่างเป็นพระเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เราจะใช้เราจะกินตามความจำเป็นแล้วก็ใช้ในอยู่ในขอบเขตของความเป็นพระอย่านำเงินเข้าบ้านอย่านาของเข้าบ้านตัวอย่างที่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานอยู่ทุกคืนเขาก็ไปชมพระในเอเวจีมหานรกแล้วทุกคนก็ไปเจอพระที่รู้จัก นี่ก็บอกว่าตายจริงไม่น่านเลยท่านมีจริยาเรียบร้อยน่าก็เริ่มไหวหน้าเดิมใสหน้าไหวหน้าบูชาแต่ทําไมถึงมาอย่างนี้ไปดูเบื้องหลังเอาของเข้าบ้านบางเอาเงินเข้าบ้านบางเพื่อกูลสตรีที่ตนคิดว่าถ้าศึกไปจะได้เป็นพัญญาบางทีก็ซื้อรถยนต์ให้บางอะไรตออะไรให้บาง แล้วก็ดีไม่ดีก็สุขของนิ่มๆไว้ในห้องเอานวนน้องเข้ามาประคองลงเอาเวจีกันเป็นแถวสบายมาก <c oughs> ที่ผมกล่าพูดอย่างนี้เพราะาทุกคืนญาติโยมพุทธบริษัทเขาเขาเขาพบกันแล้วทุกคืนเป็นว่าทุกคนเวลานี้เขาฉลาดมีความสามารถเป็นสืบประวัติ หลวงพระในนรกได้สบายสบายมากทะ่นั้นขอบัรดาเพื่อนบิณฑุสมเด็จท่านหลายแล้วมัดตว่างตัวให้มากจงลืมความเป็นฆราวาดเสียคิดว่าเราเป็นพระพระแปรยผู้ประเสริฐไม่ใช่พระแปะพ ร, ร <c oughs> พรปผู้เลวมีพระสังฆาริการบางองค์ไม้ที่เลวแสนเลว เราจะพบกันไ่บ่อยเขามีอำนาจในการปกครองพระแต่ว่าทำตัวเลวยิ่งกว่าคาวาสคารวาสที่พอดีพอดีดิเลวกว่าเยอะอย่างนี้ทำบุญไปเท่าไหร่อ น, นิสงพึความดีจะไม่มีกับท่านเลยนหรือว่าท่านที่ทำบุญทำบุญกันนักบวชประเภทนี้ท่านจะไม่มีอ น, นิสง์ดีกับท่านเลย อะไรสงสิ้นพึงมีก็คือเป็นการสนับสนุนที่ได้จากการสนับสนุนบุคคลนั้นให้ทำลายพระพุทธศาสนาและผู้นั้นไปนรกท่านจะไปไหนก็ไปนรกโดยการสบายมากรวมความว่าวทุกคนพระก็ดีเน่งก็ดีฆระวาสก็ดีจงอย่าทำลายศีลได้ตนเอง อย่ายุให้บางคลอื่นทำลายสินอย่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วใช้ปัญญาคิดว่าการส่งสินบริสุทธิ์มีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขความจริงการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีการเป็นอมบาสุขอม BA ทีกายก็ดีมีแค่สินไม่พอต้องใช้ปัญญาหน่อยสินบริสุทธิ์แต่ใจยังริ่นรน ผลที่เราจะพึงได้รับก็คือนรกกันแน่จิตยังขุนมัวทั้งนี้เพราะไรยสินไม่มีความแม่นคงในการควบคุมใจต้องใช้ปัญญาเข้าพปเจรณาเข้าไประ ง, งับมีวนห้าประการเอกกมฉันทะความพอใจในกามคุณเห็นโทษเึงกามคุณเหมือนก็หลุมเผลิงที่เขาล่อให้เราตกสองก โทสะคือความโกรธความโกรธที่เป็นอันตรายมากเป็นภัยรายสร้างความเล่าร้อนให้แก่เราไม่มีความสุขคนที่มีความโกรธสความง่วงความง่วงทําลายความดีจะสั่งสนความดีจะทําจิตเป็นสมาธิเป็นฌานสมาบัติเจริญวิปัสสนาญาณบําเพ็ญบารมีตามบารมีสิบ แล้วก็พยายามตัดสังโยชน์เมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็เจ๊งไม่มีทางรอดถ้าเราับปัญญามันมีเวลาทำความดีแล้วก็สี่อจิตฟุ้งซ้านลำคาญเกินไปเอาใจเข้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคนอื่นอันนี้ก็ไม่ดีอีก แล้วก็ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติการบวชในการรักษาศีลมันจะดีหรือไม่ดีการเจริญสมาธิเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องนั่งหลับหูหลับตาแบบนี้โง่ตายโหงอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งความพอใจในกรรมคุณสองความโกรธสามความโมโหสี่ 4, ฟุ้งซ่านรำคายเกินไปห้าสงสัยจงพยายามระงรับระงรับให้ได้ทันทีทันใด เพราะทั้งห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกนิวร์ท่านแปลว่ากิเลส ช, ชั่วที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้าเราครบกิเลส ช, ชั่วเราจะไปไหนถ้าจะเป็นอะไรแล้วก็เป็นคนชั่วจ้าท่า น, นขอบันดาเพื่อนพิสุทธ์สมันเนร์ท่าญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคบกิเลส ช, ชั่วเข้าไว้สาหรับกามฉันทะ อย่าโยมที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนี่ก็ไม่ได้ห้ามการแต่งงานแต่งงานแล้วมัต้องแยกกันแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าการแต่งงานนี่มันมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์แต่งแลกว่าแล้วกันไปทํางานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่จะว่าเราจะไม่หลงการแต่งงานคิดว่าขึ้นชว้นการเกิดถ้ามีการแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย มองโดยดีว่าไอการแต่งงาน ม, าามันสะอาดทั้งมันสกปรปกมันเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวนะแล้วเขาเ้าไปทำลายระงับโทสะความโกรธคนเป็นศัตรูกันไม่มีความสุขเราจะมีความเป็นมิตรแทนความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้กับเราแต่พยายามทัดเวลาจะทําความดีตั้งเวลาพอดีกว่ดียิ่งให้มาก ถือคุณภาพของจิตจะถือปริมาณของเวลาทําน้อยๆแต่จิตทรงตัวดีไม่มีกิเลสลุกลวนใช้ได้นิดๆน่อยๆก็ใช้ได้แล้วก็จิตฟุ้งซ่านเกินไปก็คิดตามความเป็นจริงว่าคิดทรงเดชไปไม่มีอะไรเป็นผลมันเหนื่อยคิดปเปล่าๆคิดแล้วก็เหนื่อยปเปล่าๆไม่มีประโยชน์ <c oughs> สงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้มันเป็นโทษร้ายมาก เราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ต้องเ ก, สงสกสงสิสงสัยนี่เกิดสงสัยสงสัยทั้งท่านที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยแล้วก็โง่กไปโง่ไม่น้อยแต่โง่ามากก่อนจะยอมรับก่อนจะปฏิเสธหาเหตุหาผลไม่ครบดูการเวลา เราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหมถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็เสร็จต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นนะมันมีความสุขใจไหมรวมความนิวรณ์ห้าเบรการในทุกท่านต้องระงรับให้ได้ทันทีทันใดเมื่อเราต้องการถ้าระงรับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดเมื่อไร่ฌานสมาบัติก็คือดขึ้นใใจเหมือจะกำจใจท่านเหมือนนั้น พระฌานสมาบัติหรือสมาธิเป็นศัตรูกรับนิวรณ์ถ้านิวรณ์มีอยู่ในใจสมาธิหรือฌานสมาบัติก็มีไม่ได้เมื่อฌานสมาบัติมีในใจสมาเอ็นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันกรวมความว่าการที่จะส่งศินให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาเอาแต่สินไม่ได้ต้องเข้ามาริตรอนกําลังเขานิวรณ์ห้ามไปการด้วย การเล็ดรนยกําลังเขาทีวอนให้าำเนิการก็ไม่หนักไม่สนใจมันเสียเลยอดใจไว้เฉยๆจิตมันอยากแต่ว่าข่มใจอยา่าเพิ่งอยากอย่าเพิ่งอยา ก, ยาก เ, าเวลานี้ฉันเป็นพระเวลานี้ฉันเป็นนักพรตเวลานี้ฉันกำลังปฏิบัติธรรมเวลานี้ฉันต้องการนิพพานอดใจตามระยะแล้วต่อไปเมืเ่อเผลอมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นของธรรมดา ตุ่งขึ้นมาก็อย่าให้มันออกกว่านอกหน้าหน อ, อกตายให้มันอยู่ในใจพยายามข่มมันไว้ชั้นแรกแค่ทรงฌานโลกีต้องแค่ข่มเมื่อข่มนิวรันได้แล้วก็ทรงพรมิหารสีเมตตาความรักมีตามปกติกรุณาความสงสารมีตามปกติโอติตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉานิสยาไข่มีตามปกติ เม่ขาววางเฉยไม่พรแม้บกคคอื่น เ, เพื่องพร้อมไม่ซ้ำเติมมีเป็นปกติใจจะเยือกเย็นถ้าทรงพระ ม, มิาหารสีด้วยศีลบริสุทธ์แน่นิวรณ์ก็ไปกำเริ็ดสมาธิทรงตัวฌานสมาบัติมีความมั่นคงยานต่างๆเป็นเครื่องรู้จะมีสภาพแจ่มใส การฝึกมโนยุทิศได้ยานต่างๆเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปจากกุญานความจริงที่กุยาณ น, นี่ไม่ใช่ของหนัก <c oughs> แล้วก็ทํากันได้แล้วทุกคนแต่ว่าที่ปล่อยให้มัวไปบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจิตใจเป็นธาตุของนิวรณ์ฉะนั้นขอทุกท่านเราตัดนิวรณ์ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่ป ร, รารหถน นิวรณข้อหนึ่งกับข้อสองเราจะตัดได้เมื่อเป็นพระอนาคามียังไม่ถึงพระอนาคามีตัดไม่ได้แต่เราจะยับยั้งมันข้าไม่ได้แต่คอยกั้นมันไว้ไม่ให้มันมาไม่สะดวกสะดวกก็ไม่ยอมให้มาแบบสะดวกสะดวกยามยับยั้งยับยั้งได้เมื่อไรยับยั้งได้นานเท่าไรใจเรามีความสุขเท่านั้น จิตทรงพรมีอาหารศีลด้วยถ้ามีศีลบริสุทธิ์ระงับนิวรให้น่าในตามความต้องการจิตทรงพรมีอาหารศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนเปลือกความดีนี้เป็นอารมณ์ของผู้ทรงฌานถ้าทําได้อย่างนี้เป็นผู้ทรงฌานแน่เซฌานจะทรงเป็นปกติจะใช้เมื่อไรก็ได้ ยานต่างๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันไมาท่านต้องการจะรู้ท่านต้องการจะเห็นอะไรเมื่อไร่ได้ทันทีทันใดฉจนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามรักษากําลังใจของท่านไว้ตามนี้และหลังจากนั่นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าถ้าทําได้อย่างนี้ทรงตัวดีแล้ว พก็ทำปกเพนิวาสารติญาณให้เกิดขึ้นการละลึกชาติได้อันนี้ก็ไม่ยากแต่ทุกคนได้แล้วพระทุองค์กจะบวชได้หมดแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงก็ปีความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนหลังจากนั่นองค์สมเด็จปะชินวร์ทรงตรัสว่าต้องทำจุตูปปาตยานให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้สัตว์พวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากผมนั่นมาจากทวัดามาจากมนุษย์มาจากสัตว์เลี้ยฉันมาจากอสุรกายมาจากเป็ดมาจากสัตว์นรกเราทราบรู้ข่าวคนตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้ตายนี่ไปไหนเพราะกรรมอะไรบันทิดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกระเช้ากล่าวว่าเข้าถึงเกณน แก่งความดีที่พระองค์ทรงสอนความจริงวิชาความรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์เขสอนให้แล้วทุกคนทุกท่านสละฟังแล้วรับการฝึกฝนก็มาแล้วเป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าทุกท่านถ้าจะบอกว่ากรรมอย่างนี้ผมทําไม่ได้ผมลืมไปก็ต้องขอโมทนาที่ท่านหลายี่ได้กลับดว ง, งวีจีมานุกต่อไปความดีถ้ารักษาไม่ได้ แสดงว่าความชั่วเรามีกําลังใหญ่เกินกว่าความดีในเมื่อเราสาความดีไม่เม็นได้ก็เดืดแต่ความชั่วความชั่วจะพาตัวเราไปไหนความชั่วจะไปไปอะไรไปภูมิเย่นลืมนะพระ น, นันยมไปอเวทีมหานรกนี่เราพูดเฉพาะในสํานักของเราสำนอื่นเขาจะไปนิพพานช่างเถอะเขาสร้างความชั่วเขาจะไปนิพพานช่างเขา เราระมตดระวางอย่ให้ไปนรกแต่จงทราบไ ป, ปว่าการเข้าถึงแก่นตามที่พระเจ้าทรงตัดยังไม่ดีพเพราะอรเพราะยังเป็นชานโลกีถ้าใจดีก็ต้องเข้าไปตัดสังโยชน์อีกตอนนี้แหละสิ้นครบพ้นบริบูรณ์ตัดสังโยชน์แค่สามขึ้นหนึ่งสกายทิฐีมีความรู้สึกว่าชีวิตของคนและสัตว์เราเนี่ยต้องตายแน่ คน อ, อื่นจตายไม่ตายชังเขาเราตายแน่เมออื่อจะตายก็ไม่ยอมไปอบายภูมิมุ่งไปหาความดีคือสวรรค์พรทมโลกที่ผ่านหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจปฏิบัติตามคาแนะนำของท่านให้ครบถ้วนแล้วก็มีศีลฆราวาสแค่ศีลห้าบริสุทธ ชำมนเนนสินสิบบริสุทธิ์พระสิน227ีบบริสุทธิ์การสร้างความดีปกติจิตไม่ต้องการมนุษสโลกเทวโลกดละพรมโลกจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ระบรรดาท่านพุทธริสัต์ทั้งหลายพอมาถึงจุดนี้ชั้วเราทุกท่านเข้าถึงความดีในจุดของสิน หมายความสินท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่ความเป็นระโสดาบนที่พูดวันนี้อารมณ์ของมโสดาบนและภาษีทาคามีไม่ยากเลยแค่นี้ศินบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งนี้เพะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทรงอารมณ์ทําลายอารมณ์เลวสามัญการคือส ก, กายยุทธิภิมีความรู้สึกร่างกายนี้มันต้องพัง วิจิติคิชาตัดความสงสัยในความดีพระเจ้าในพระธรรมพระอารียสองศีลปตะประาปรมาตัดความอารมณ์ั่วที่ทำลายสินออกรักษาสินให้ครบทนจิตใจมุ่งหวังจุดเดียวคือนิพพานอย่างนี้พระพเจ้าบอกว่าสินของท่านจะไม่สลายตัวขึ้นเชื่อผลของความโ่วคืออบายภูมิจะไม่มีแก่ท่านอรบรรดาเพื่อนิสุทธ์สมณีนนทั้งหลาย ท่าน ญ, ญาติบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาทัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่ อ, อความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี